บอกแล้วว่ามันแค่เครื่องอาศัยเท่านั้นเองนี่เราภาวนาแล้วเ็าจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจนะมันก็สัมพันธ์กันฝึกภาวนาถึงจุดหนึ่งเนี่ยสมองส่วนกลางๆลางซึ่งอุดมไปด้วยกิเลสตัณหาไม่ทำงานเป็นเรื่องแปลกนะเรื่องแปลกนี่พระพุทธเจ้าท่านมีวิธีฝึก <laughs> จนเกิดผลพลอยได้ที่จะทำให้สมองส่วนด้านนี้ทำงาน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 มันถอนเอาความเป็นเราออกมาแล้วมาคอยรู้คอยดูไปเรื่อยๆทำตัวเป็นแค่คนดูนะถ้าครุกวงในจะไม่เห็นเหมือนเขาเตะฟุตบอลกันนะเราอยากดูให้ชัดนะโดนลงไปยืนกลางสนามนะเราจะเจอเท้า44คู่44ข้างนะใช่ไหม4ี 46, 46, ม่สิี่กมามีกรรมการอีกคนนะเนี่ยดีไม่ดีโดนเหยียบหนะลบคนนี้เจออีกคนนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเรานั่งบนอัธยาจนดูแล้วเห็นหมดเลยเห็นภาพชัดใช่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 ไปไปมามาหาตัวเราไม่ได้สักตัวเดียวนะอย่างนั้นแหละอยู่กับโลกได้แค่นี้ดีแล้วละ่ะอยู่กับโลกทําไปนะโสดาสกทาคาอะไรพอได้อยู่อนาคาเริ่มยากแล้วอนาคาต้องละกามใช่ไหม <c red> คลุกคลีอยู่กับลูกกับเมียอะไรเงี้ยละกามยากกามไม่ใช่แปลว่าเรื่องเซ็กต์อย่างเดียวนะ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 ปากเขียวอื้อเลยใครมันจะมาเจรจาด้วยมันก็ต้องส ว, สวยๆหน่อยใช่ไห ม, มสวยๆหน่อยมันก็อดภูมิใจไม่ได้เนี่ยสวยไม่เป็นไรนะแต่ภูมิใจว่าสวยเนี่ยเป็นกิเลสให้รู้ทัน<ม>รู้ลงไปนะสวยได้นะเป็นคารวาน่ะแต่งเนื้อแต่งตัวได้ไม่เหมือนพระนะพระชุดเดียวเที่ยวรอบโลกเลยนะคารวาจะมานุ่งผ้าถุงตลอดบันนะใส่เสื้ขอคอกระเช้าไปนั่งเซ็นเช็ค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 แต่ว่าใกล้เคียงแล้วเกือบมีแล้วมันไม่ตั้งมั่นแล้วทำยังไงถึงจะตั้งมั่นนะคะให้รู้ว่าไม่ตั้งมั่นเห็นไหมคำตอบทุกคำตอบนะให้รู้เอาว่าจะไม่ถามก็มีเหมือนกันที่ตอบอย่างอื่นอันนั้นสำหรับพวกอาการหนักเช่นเครียดหนักๆจะทำไงบอกให้รู้เอายิ่งรู้ยิ่งเครียดยหลวงพ่ะก็ต้องเปลี่ยนต้องดูเป็นรายๆไปถ้าอาการหนักก็ต้องสอนอย่างอื่น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 ท่านพัดไปแล้วฟังพระพุทธเจ้าสอนทีคขณขัะสอนเรื่องเวทนานะฟังไปเรื่อยเลยในสุดท่านก็เป็นพระอรหันตะ์ถ้าท่านตั้งใจฟังเหมือนฟังเลคเชอร์พนระพุทธเจ้าสอนอะไรจดจดนะยุคนี้ไม่ต้องจดเอาเอ็มพสามาวางนะแล้วก็ใจลอยไปเรื่อยๆเพราะเดี๋ยวกลับบ้านก็ฟังไดนะนะ้อย่างนั้นไม่บรรลุหรอกนั้นะนะฟังไปแล้วรู้กายฟังไปแล้วรู้ใจไปเรื่อยๆ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 นะพระโสดาอย่างร้องเลยไม่ใช่ไม่ร้องน ะ, ะช่วงที่ผ่านมาสักโดยทั่วไปแล้วส่วนใหญ่นี้รู้สึกว่าจิตก็มีความทุกข์มากเมื่อต้องไปคลุกกับโลกมากๆเก็ดินน้นรนคับแค้นแล้วที่มันดีคือเราไปเห็นมันเข้าใช่หมจิตของโยมถึงเป็นอย่างนี้เห็นไหมจิตมันดินน้นรนจิตมันคับแค้นแต่ว่ามันมีจิตอีกคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่ห่างๆอยู่อย่างี้ รู้สึกไมมว่าไม่ได้คลุกวงในก็ไม่ทุกข์นาะรู้สึกแต่ว่ามันรู้สึกว่ายังมีตะกรนมีอะไรหนักๆอยู่นิดนี้ต้องมีต้องมีเราไม่ใช่พระละหันแต่ว่ายังไม่ออกนอกทางนะคะไม่เข้าทางใช้ได้เลยลายแมนยังไม่ยกธงขอพระคุณหลวงพ่อค่ะดีนะดีอ้าวคนน้นคนน้นบางคนยกก่อนนะแต่หลวงพ่อไม่เห็นช่วยไม่ได้มีสองตา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 เราไปบีบไปเค้นมันเองทำใจกว้างๆทำใจสบายๆลืมคำว่าภาวานาะเวลาที่เราคิดถึงคำว่าภาวานานละ้เราบีมเราบีบความรู้สึกของเราเข้าไปเนี่ยๆอย่างเนี้ยบีบนิดๆลนะทุกทีแรงมากเลยค่ะหลวงพ่อให้รู้ทันนะอย่าไปจงใจปฏิบัติจงใจปฏิบัติแล้วเป็น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 การที่คนเราบุคคลคนหนึ่งเขาจะเห็นอีกภพหนึ่งได้นี่เขาต้องได้ปัญจมาฌานแล้วอภินยาจิตเกิดถึงจะเห็นเหรอคะเห็นอะไรนะเห็นสัตว์อีกภพหนึ่งได้เนี่ยต้องได้ปัญจมาฌานอภิญญาจิตเกิดถึงจะเห็นสัตว์อีกภพหนึ่งได้ใช่ไหมคะสัตว์ในภพอื่นน่ะเหรอค่ะอ๋อมันอาศัยฌานแล้วก็ไม่ได้ว่าได้ปัญจมาฌานแล้วจะเห็นทุกคนนะต้องได้ทิพจักขุปแต่มันเห็นแวบเดียวไม่ได้เห็นตลอดย4ชั่วโมงนะหลวงพ่อ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 อย่างเดินอน า, นาปาณสติอย่างนี้ไม่ถึงหรอหลวงพ่ออนาปาณสติเนี่ยจะไปเห็นได้เหมือนกันบางทีเรารู้ลมนะจะเห็นนิมิตลมขึ้นมาก่อนพอนิมิตลมนิมิตลมจะสว่างน ะ, ะเห็นเป็นเส้นสวา่างมันได้ยังนี่พาสว่างนี่พอเราดูเราไม่ดูลมแนละ้วคราวนี้เราดูแสงสว่างอันนี้แทนอย่างนี้ไปได้ค่ะหลวงพ่อจะชี้แนะอะไรไม่ชี้ในการปฏิบัติมั้งคะไม่ชี้เลิกปฏิบัติซะแล้วให้กิเลสเกิดนะแล้วก็รู้เอา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 รู้สึกมันมแล้วไปกดมันไว้รู้สึกไหมพึ่งกดหรือเปล่าครับอ่าพิ่งกดเนี่ยพิ่งกดตอนไมคเข้าใกล้ทุกตาแหละมันเครียดครับรู้เล่นๆไปสภาวะใดๆปรากฏก็รู้ไปเรื่อยอ้าวใครจะคุยต่อเชิญอ่านี่เบอร์แปดไอ้เบอร์สิบหก่อนเบอร์สิบหกยกก่อนอ้ามานันนี่ส่งมาเบอร์สิบหกยกก่อนมาครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ายกไว้เบอร์สิบหกยกไว้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 รู้จิตเป็นสมมติบัญญัติแล้วก็อีกสภาวะหนึ่งก็คือรู้สึกมันเป็นเหมือนคลื่นสัญญาณอะไรผุดขึ้นมาถ้าเนี้ยนี่แหละการที่จิตมันคิดขึ้นมาเนี่ยมันอาศัยสองตัวนะจุดสตาร์ทของมั น, นอันหนึ่งอาศัยสัญญาอนหนึงอาศัยเวทนามันจะปรุงขึ้นมาดีที่เห็นเห็นถูกต้องแล้วต้องปรับปรุงอะไรอีกบ้างไม่ปรับนะอนคอยดูไปอะไรที่ยังปรุงแต่งอยู่ก็รู้ทันมันไปจนวันหนึ่งมันเลิกปรุงแต่ง มันเหลือแต่รู้ล้วนๆเลยรู้โดยที่ไม่ปรุงแต่งไม่จงใจจะรู้ถ้าจงใจรู้ก็ยังปรุงแต่งอีกอย่างแม่ชีชอบจงใจรู้นะเช่นจะรู้สงสัยทราบไหมสงสัยรู้ว่าสงสัยสินะสงสัยแล้วหนีิกคิดเอาใช้ไม่ได้นะ <c oughs> อ้าวมาทางนี้เมื่อกี้ใครเห็นแวบๆสิบวันไม่ได้มาหาหลวงพ่อคะ่ะรู้สึกว่าเป็นสิบวันที่ตัวเองปากร้ายแตอยู่ในใจคะ่ะ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 ถัดจากนี้ก็คือรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆรู้หมายถึงรู้เรื่อยๆอย่าขี้เกียจค่ ะ, <น>ะแล้วสัญญาดับ <laughs> บางทีมันมีโลภนิดๆอะไรเงี้ยแล้วเราดูไม่ค่อยทันนะคะมีอะไรนะความโลภ<อ>นิดๆอะไรอย่างเงี้ยนิดๆดูไม่ทันก็โลภแรงๆก็<ว>ค่อยรู้เเวลาอนุโมทนากับคนอื่นแต่เราในใจมันมีความโลภอยากได้บุญอะไรอย่างเงี้ยคอ <laughs> ดีที่รู้ทันอย่างนั้นแหละได้บุญแต่มันตัวเล็กไปหน่อยเลยมองไม่ค่อยเห็น ดางนั้นสติปัญญาก็ต้องละเอียดขึ้นแล้วเห็นอก็ดูความโลภไปส่วนใหญ่นะพออนุโมทนานั้นในใจเนี่ยจะอิจฉาเกันมากน ะ, ะในห้องนี้เวลาฟังคนอื่นก็ส่งกันบ้านมีใครอิจฉาบ้างยกมือมานี่นี่ผู้กล้าหาญอย่างนี้สมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะก็ <c oughs> ดูความโลภไปใช่ไหมคะใช่<ะ>เวลาที่เราอนุโมทนาเขานั้นถ้าเรายินดีกับเขาจริงๆเนี่ยเป็นบุญนะ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 ขันติบาามีก็สำคัญใช่ไหมเมตตาเลยสำคัญหมดนะขี้เกียจบรรยายเพราะเคยบรรยายไปแล้วไปฟังเอาเองเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะถ้าเราเรายังดูอัตตาตัวเองไม่ไม่ไม่ค่อยทันนี้ก็ไม่ต้องไปดูใช่ไหมฮะให้รู้ว่าโลภอยากดูอ๋อเออแล้วใช้ได้เอาสรลัญญาหนูหนูโลภมาแล้วไม่ถามกุ้มใจกุ้มใจเป็นโทสะกุ้มใจไม่ใช่โลภนะ อยากถามอะโลกพอไม่ไม่ถามเห็นไหมอันเนี้ยทิฏฐิคิดว่าต้องอย่างนี้น่อดัดสันดานมันซะบ้างไม่ถามนี่ตัวทิฏฐินะเสร็จแล้วก็กลุ้มใจตัวโทสะนะเห็นไหมกิเลสเยอะขอคําแนะนําเจ้าทางเนี่ยแนะแล้วให้รู้ทันกิเลสนะรู้ทันกิเลสไปนะที่ปฏิบัติโดยรวมใช้ได้ใช่ไหมคะซึมไปนิดนึงเอาไว้นิดซึมมันซึมมากไป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 กิเลสมันให้ยกมือค่ะสังเกตไหมตอนนี้สร้างพบอะไรอยู่มันมันเหมือนกับอะไรนะคะสร้างตัวตนขึ้นมานั่นแหละนั่นแหละนะรู้สึกไหมมันสร้างเปลือกขึ้นมาหนึ่ง<ฆ>แล้วก็เข้าไปสิงอยู่ในเปลือกนี้ะเหมือนผีสิงนะดูออกไหมเน่เน่เน่เปลือกบางลงแล้วรู้สึกไหมอพอร<ฆ>ู้ทันเปลือกก็าหายไปรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้นะเนี่ถึงจะเรียกว่ารู้สึกตัวะน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 บางเรื่องที่ผมต้องใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจแล้วผมถามตัวเองว่ารู้สึ k กกับเรื่องนี้ยังไงมันไม่มีความรู้สึ k กกับเรื่องนั้นนะฮะแล้วกลายเป็นว่าไม่ตัดสินใจอะไรเลยเพราะไม่มีความรู้สึกไม่าไปใช้ความรู้สึกตัดสินสิใช้เหตุผลสิใช้เหตุผลใช่ไหมเราตัดสินสิน่งต่างๆในทางโลกด้วยเหตุผลนะไม่เอาความรู้สึกเข้าไปใช้ถ้าใช้แล้ว<ง>อากาตีม<อ>ันเกิดอย่างเราชอบสิ่งนี้ใช่ไหมเราก็ตัดสินลําเอียงเข้าข้างมันเรา<อ>เกลียดสิ่งนี้ก็ตัดสินลําเอียงในทางเล่นงานมัน ถ้าอย่างนี้เนี่ยความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่เอาฮะผมก็ตัดสินใจตามอย่างนั้นเลย่าดูเหตุผล ด, ดูเหตุผ ล, ผลใช่ไหมครั บ, ค, รบความรู้สึกเชื่อไม่ได้<อ>ความพิสุดน์ของเราส่วนมากถูกกิเลสหลอกอีกที้งแม้จะเป็นสภาวะที่เราคิดว่าดีแล้วก็ยังมีกิเลสซ้อนอยู่ใช่ไหมใช่ครับเนงั้นอยู่ในโลกนะใช้เหตุผลเราหัดจเจริญสติเพื่อให้จิตของเราเนี่ยปราศจากอคติ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 มาครั้งแรกเจ้าค่ะ<อ>ฟังซีดีหลวงพ่อไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่นี้ถูกต้องหรือเปล่าเจ้าคะขณะนี้จิตอยู่ที่ไหนทราบไหมตื่นเต้น ต, ตื่นเต้น ใ, <จ>ใช่ใจใจเต้นดย เ, เ, เนี่ยหัดรู้อย่างนี้นะรู้ของเราไปด้วยรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจที่ฝึกอยู่ใช้ได้ลนะต้องดูไปเรื่อยๆนะดีนะดีข้างหลังข้างหลังข้างหลังกาับนมัส ก, การหลวงพ่อครับดีฝึก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 แต่ถ้าตัวนี้หายไปนะเหลือแต่ตัวข้างนอกแล้วเที่ยวควานไปเรื่อยอย่างนี้ถึงเรียกว่าหลงไปไม่ตั้งมั่นคือเหมือนเหมือนกับว่าหลงไปแว บ, บหนึ่งอ่าอย่างนั้นได้คือเหมือนการได้ยินเหมือนกับว่าบางทีได้ยินอยู่ข้างนอกอะได้ยินที่หูนี่คือเหมือนกันไหมครับอ่าเหมือนกันแล้วแต่สัมนวนอ๋อครับแล้วก็อนึกไม่ออกแล้วครับไม่เป็นไรสัญญามันดับไปบางคนจะมาหาหลวงพ่อนีเตรียมมาตั้งเยอะเลย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 เช่นใจเรากังวลเราก็รู้ว่ากังวลนะใจเราดีใจเราก็รู้ว่าดีใจเสียใจรู้ว่าเสียใจหัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆไปนะเดี๋ยววันหนึ่งสติจะเกิดขึ้นมาเกิดแล้วมาสบกัรบ้านต่ออยกมือให้โยมน้นก่อนทางขานกราบน้มัศกาลโยค่ะก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ได้กราบเรียนท่านอาจารย์โยคะก็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 น, นี่โยมก็มีความรู้สึกว่ายังปล่อยไม่ได้น่านถูก<ล>ต้องเลยเ<อ>ถียงมันเลยแล้วปล่อยได้ฉันปล่อยแล้วแหละแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งโยมตักน้ําล้างมืออยู่ในห้องน้ําแล้วก็มันมีความรู้สึกว่านี่น้ําส่วนหนึ่งในร่างกายเราก็มีน้ําอยู่ส่วนหนึ่งแล้วพอคิดตรงนี้ปุ๊บมันจะแยกเป็นส่วนๆออกมาเลยว่ามีดินน้ําไฟลมพร้อมเาม า, มาเป็นสี่ส่วนแล้วก็มีความรู้สึกว่า นี่ไม่ใช่ร่างกายของเรามันเป็นแค่ธาตุทั้งสี่เท่านั้นเองแล้วก็สภาวะของสัตว์ทั่วไปก็เหมือนกันก็เห็นอยู่แค่นี้จิตยอมรับตรงนี้ว่าใช่คือจิตเนี่ยเห็นความจริงแล้วว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่ว่ามันยังยึดถือตัวจิตอยู่นี่เจ้าค่ะยอมกับพยายามพิจารณาว่าเอ๊ะติดตรงไหนทำไมเราถึงตอบไม่ได้อยอ่าไปอยากพิจารณาสิเจ้าค่ะให้รู้ทันว่าอยากพิจารณา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 น่าดีน่ายิ่งเห็นย well really sí ิ่งดีอย่าไปเกลียดมันก็แล้วกันไม่โ้มค่ะก็ยมก็พยายามว่าเอ็นนี่มันเกิดทุกข์ทั้งกายทั้งใจในคราวนี้แล้วทํอย่างก็ดูดูอยู่ไม่ไม่ยอมหายสักทียอมเดี๋ยวหาวิธีช่วยคือเอาเรื่องอื่นมาคิดอว่านี่การทรงคิดได้รับรู้ออกมาโยมรู้สึกไหมเราอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์เจ้าค่ะเนยในความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าสอนบอกกายกับใจเป็นตัวทุกข์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 ยิ่งดิ้นยิ่งไม่ได้นะยิ่งอยากยิ่งไม่ได้แล้วหนูว่าเห็นแล้ว้ตัวนี้น่าเกลียดจังเลยนิดนิดหน่อยหน่อยก็อยากได้แล้วก็ตอนแรกแอนตี้เดี๋ยวนี้ก็พอรู้เข้าไปเสื้อเสื้อเรารู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้เป็นศัตรูเราใช่เราต้องไปเกลียดมันทําไมใช่ไหมกายมันทุกมันเรื่องของกายแล้วเราไปเกลียดมันทําไมจิตมันจะทุกข์ก็เรื่องของจิตเราไปเกลียดมันทําไมมันไม่ใช่เราทักงคู่เลย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 วันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินจะไปทุลราที่อื่นก็สั่งคนเฝ้าสวนนะบอกให้ดูแลพระประเจกนี่แกดูแลอีท่าไหนไม่รู้แกพลาดพลั้งอุบัติเหตุพระประเจกตายหรือพระปัจเจกบาดเจ็บอะไรก็รู้พระประเจกตายรู้สึกนะแกก็หนีไปเลยหนีไปพอพระเจ้าแผ่นดินกลับมานะรู้ว่าพระประเจกตายน้ำโมโหมากเลยนะอยากจะเอาตัวมาฆ่าให้ได้หาตัวเขาไม่เจอเวลาผ่านไปหนึ่งปีนะแกะก็ส่งข่าวมาส่งคนมาบอกว่าอยากจะขอมาชี้แจง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 ตอนโกรธ อ, อยู่อย่าเพิ่งตัดสินอ้าวมีนิทานแล้วเชิญกลับบ้าน